เพราะความเจริญในธรรมจุ ม, มีแต่ท่านผู้ฟังเท่าไรแต่ร่มประภติยานกำลังนำเสนอเรื่องปัจเจเวคขณะสมาธิมาถึงชุดที่เรียกว่าทศภิญหาปัจเจเวกันซึ่งก็มีอยู่สิบข้อด้วยกันเป็นหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงเน้นไปที่ภิกษุก็ภิกษุณีด้วยนะฮะ แต่ว่าในแง่ของความเป็นจริงแล้วก็หมายรวมถึงพุทธบริษัททั่วไปเพียงแต่ว่าความเข้มข้นที่จะต้องลงมือประพฤติปฏิบัติก็มีความแตกต่างกันแต่เราก็อยู่ในโครงสร้างเดียวกันพถ้าเรามองชาวโลกทั้งปวงอนะมองกันด้วยความเป็นธรรมว่ากินคนดีในโลกทั้งปวงท่านจะรู้เรื่องศีลสมาธิปัญญาหรือไม่ก็ตาม แต่ท่านก็อยู่ในคันลองแห่งศีลสมาธิปัญญาอยู่นั่นเองพระศีลก็คือสงบกายสงบวิจารสมาธิก็คือสงบกิเลส ท, ที่มันกลุ่มรุมใจปัญญาก็คือตรวจสอบวินิจฉัยตัดสินแยกแยะสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงแล้วก็ประพฤติปฏิบัติหรืองดเว้นไปตามทุงควรแก่ฐานะของสิ่งโดนั้น ในข้อต่อไปนี่มันจะตรวจสอบตัวเองลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นและสั่งว่าบรรพชิตควรพิจารณาหนึ่งๆว่าตนเราเองติเตียนเราเองโดยศีลได้หรือไม่ ท้าฟังหลองสังเกตนะว่าการสมาทานศีลอย่างท่านสาธุชนทั่วไปเนี่ยสมาทานศีลเมืออคราวแต่ว่าในแง่ของความเป็นจริงนะฮะคือศีลห้าเนี่ยเป็นศีลหลักของความเป็นอุปสมบทสิกาแต่ว่าเราก็มีน้อยคนที่รักษาศีลเหล่านี้ได้ต่อเนื่องพอมาถึงระดับหนึ่งที่ท่านมีความหนักแน่นมั่นคงขึ้นเนี่ยศีลแปดเนี่ยเป็นปกติธรรมดาของท่าน แต่ว่าจํานวนคนจะน้อยลงนะฮะพอมาระดับหนึ่งเนี่ยก็เรียกว่าทดลองดูเป็นคร่าวๆก็คือศีบุบสุดก็เรียกว่าเดือนละสี่ครั้งครั้งหนึ่งก็ประมาณสักยี่สิบชั่วโมงไม่กยถึงดีนะฮะไม่ถึงยี่สิบชั่วโมงดีก็ประมาณสิบแปดชั่วโมง แล้วก็ที่ข้อหนักหนาสาหัสจริงๆก็คือไม่ได้กินข้าวเย็นมื้อหนึ่งละนั่นเองพวกศีลเหล่า น, นี้ใครคนรักษาคนนั้นก็ต้องสวจสอบมันปฏิบัติพัฒนาไปจนถึงจุดหนึ่งว่าชาวบ้านเมื่อเห็นว่าศีลตัวเองขาดก็สมาทานศีลใหม่แต่สามเณร เ, เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นกว่านั้น ถ้าหมายความมาสำมเนเรนที่จริงศีลหลักของท่านเนี่ยก็มีสิบเดี๋ยวพอย่อยออกไปก็เป็นยี่สิบยี่สิบย่อยไปอีกที่หนึ่งก็ประมาณร้อยห้าข้อนะฮะมีพวกเสกยขยิวัตรมีพวกอะไรอยู่สำมานเรนถ้าศีลขาดเนี่ยต้องต่อศีลใหม่แล้วก็ต้องไปทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่เรียกว่านธนกรรมเพื่อสร้างความสำนึกให้รับผิดชอบในเรื่องเหล่านี้ ทีนี้พระเองเนี่ยก็ต้องเหมือนกันคือสอนในสวดสอบตัวเองว่าในแต่ละวันเนี่ยเรารักษาศีลเป็นยังไงบ้างศีลเป็นยังไงบ้างต้องอาบัตอะไรบ้างไหมถ้าต้องอาบัตก็แสดงแสดงก็คือสารภาพความผิดกับคนอื่นแล้วคนอื่นก็ให้สติตักเตือนเพื่อให้สมบูรณ์ระวังต่อไปทีนี้ถ้าอา บ, าบัตบรใหญ่ ฉันสมมติว่าไปจะต้องเพศตรงกันข้ามเข้าหรือว่าพูดในทนองเกี่ยวพาราศีเป็นต้นเนี่ยอามาอย่างนึกตรงนี้ว่าที่จริงก็อยากให้ญาติโยมเนี่ยช่วยเรียนพระวินัยพระไปด้วยเพื่อรู้ว่าพระทํายังไงถูกยังไงผิดบางทีคนหนุ่มๆส ม, มัยนีย้เขาพูดจามันขนองปากอกันเรานึกแล้วก็สยองนะฮะ เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นยุคสมัยที่เราพูดยากกันนะพูดยากก็คือว่าอะไรล่ะเขาเรียกเป็นแถวหรือเป็นไรเนะมัาก็ออกบวมาเยอะแล้วมันไม่ถึงเป็นกระเทยคือไปห้ามเขาไม่ได้ทีนี้บางทีกระเทยเราก็พระเองก็ไปตรวจอะไรเขาไม่ได้ด้วยคือยังนึกว่าโอกาสต่อไปเนี่ยกฎหมายบ้านเมืองต้องช่วยนะ เพราะว่าคนเหล่านี้เข้ามาในศาสนาเนี่ยควรอยู่ในจุดที่ควรอยู่เถอะอย่าเข้ามาบวชเป็นภิกษุเพราะว่าในแง่ของวินัยแล้วท่านไม่เป็นภิกษุโดยชอบด้วยพระวินยัยถ้าหากว่าเธอเป็นกระเทยนะ่ที่จริงวินยัยก็ห้ามมาชัดเจนนะแล้วเวลนี้ก็มีเสียงพูดเสียงตาหนิทวงจรงออกมามาก แล้วพระเราก็มองกันไม่ค่อยเป็นนะนะคือไม่ค่อยมีความรู้พระบางทียงต้องเห็นใจนะพระมันอยู่อีกโลกหนึ่งไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเขาหรอกเรื่องชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยไม่ค่อยรู้หรอกมันต้องมีการศึกษาตรวจสอบติดตามก็ยังนึกว่าองค์กรสูงในโอกาสต่อไปเนี่ยคือชาวบ้านจะต้องเข้ามาช่วยในบางเรื่องเช่นเช่นในกรณีเนี้ยในกรณีที่เป็นโรคบางอย่าง หรือว่าในกรณีที่ลักกระเภทหรือว่าผิดเพศ อ, อะไรต่อไปคือจะต้องมีการตรวจสอบประสมควรแต่ว่าในที่นี้มันเน้นที่การปฏิบัติมหมายความว่าถ้าท่านเห็นอาบัติว่าเป็นอาบัติอาบัตแปลว่าโทษที่เกิดขึ้นเพราะการละเมิดในข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามไม่ได้ทําตามข้อที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตก็เรียกว่าอาบัติบางทีเราก็แปลว่าความต้อง เพะันเมื่อใครต้องอบัตเนี่ยเาก็ต้องแสดงแล้วก็ทำคืนอบัตเหล่านั้นทรงวางเป็นหลักไว้แล้วก็จุงกับจีมหน้าเอินดูนะะคื อ, อยังนึกว่าเออก็หกลม้มกลุกกันพอสมควรพระทุกรูปในหกลม้มหกลุกกันมาทั้งนั้นเนี่ยนะฮะใครจะหกล้มมากหรือว่าไม่มากแต่นั้นเด้งสมมติว่าพระเกิดไปตบยุงตายขึ้นมาเนี่ย ท่านก็จะไปบอกเพื่อนว่าผมก็แสดงอันบัตรปจิตตีพราะว่ า, าตบจุงให้ตายเนี่ยเพื่อนก็บอกว่าท่านเห็นว่าเป็นความผิดหรือเปล่าเป็นอันบัติหรือเปล่าเราก็บอกว่าเป็นความผิดเพเห็นว่าเป็นความผิดเพื่อนก็จะบอกว่าไม่เป็นไรแล้วครับตั้งใจสมรวมระวังต่อไปให้ดีก็แล้วกันเราก็จะบอกท่านว่าครับครับผมจะตั้งใจสมรวมระวังต่อไปเอาแหละบางทีก็ต้องอีกอะ่ะ แต่นี่ก็คือสํานึกสำเนียกว่าเมื่อมันเป็นความผิดเราก็ต้องปรับปรุงตัวเองแก้ไขตัวเองไปเรื่อยๆมันเหมือนกระช่างถากถากไม้เนี่ยมันถากครั้งเดียวมันเป็นอะไรไม่ได้หรอกมันก็ถากกันจนใช้งานไดน้ะที่ในพระบาลีเนี่ยแสดงเอาไว้ไปจะทั้งช่งางถากถากไม้ช่างชาวนาไขน้ํำข้าวนาช่างถากถากไม้ช่างสอนดักลูกสอนเี่ย แต่อย่างเป็นเรื่องซ้ำชักเป็นเรื่องกระทำที่ต่อเนื่องแล้วก็มีความรับผิดชอบสูงดาบใดที่น้ำยังเข้าไปสูบนาให้เกิดเสเร็จประโยชน์ในการทนำนาไม่ได้มันก็ต้องสูบน้ำถูกน้ำอยู่ตลอดไปจาบใดที่ยองถากไม้ไม่สำเร็จตามเป้าหมายมันก็ทํากันต่อไปผ่านขั้นตอนกันเรื่อยๆไปคือถากเสร็จมันก็ผ่านขั้นตอนอื่นๆไปจนกว่าจะใช้งานได้ ชาติสอนดั้รุงสองก็มีลักษณะอย่างนั้นาการฝึกตนมันก็เป็นเช่นเดียวกันเปิดโอกาสให้ตรวจสอบตัวเองแล้วก็ต้องติเตียนตัวเองให้ได้นะติเตียนเราโดยศีลได้ไหมคือบางทีนเรามีความสับสนในเรื่องธรรมะปฏิบัติแล้วก็คล้ายๆกับเกรงใจแล้วก็ไม่ ก, กล้าพูดกัน คืออย่าลืมว่าเราด่าคนอื่นเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ด่าใครทั้งหมดเลยแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยเราติเตียนเราเองตำหนิเราเองได้แต่ด่าตัวเราเองไม่ได้มันเป็นโทสะมันเป็นโมหะคําด่าเนี่ยมันมาจากกิเลสอาจจะริษยาอาจจะเป็นโทสะอาจจะเป็นโมหะแต่โมหะมหนั้นมีได้นะแต่ลองสังเกตว่า บางทีพระปฏิบัติไม่เหมาะไม่ควรซึ่งเราก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรนะนะเราก็แก้ปัญหาพระอย่างนี้กันมาตลอดทั้งใต่ไหนแต่ไรทูเจ้ารับสั่งว่าดูก่อนอ น, นน์เราจะกะนาบแล้วกนาบอีกใครมีสาระก็ตั้งอยู่ได้ไม่มีสาระก็ออกไปนี่คือหลักในการบริหารงานบุคคลของพระพุทธเจ้าแต่ท่านผิดก็คือผิดอ่ะท่านก็ปรับปรุงตัวท่านเอง มันไม่ใช่เราไปด่าเขาเพราะฉะนหลักการสําคัญที่น่าห่วงใหญ่ที่สุดในสังคมพุทธเราในไม่ทราบเป็นเป็นเรื่องอะไรคือมักจะาใสายความชั่วของบุคคลอื่นเป็นเครื่องมือในการทําชั่วขอโดยสารทําชั่วด้วยนะปูง่ายงั้นนะสมมติว่าได้ยินใครหรือทําอะไรหรืออย่างไรเนี่ยแม้แต่บางทีมันเป็นเรื่องกล่าวหา คือการกล่าวหาเนี่ยมั น, ม, นมันถ้าเราเต้นไปตามจังหวะการกล่าวหามันก็ยุ่งกันตายนะฮะบ้านเมืองเนี่ยมันไม่ต้องอยู่กันหรอกเพราะคนกล่าวหาคนเนี่ยมันได้สารพัดเลยระบาดสนเท่อะไรเขียนอะไรด่าใค ร, ใครเนี ง, ง่ายๆแล้วแม้แต่ชาวพุทธเราเนี่ยมาได้รับบาดสนเท่บ่อยบาสนเท่ทินทาคนนั้นคนนี้คนโน้อนอะไรนนแต่ว่าตรงน้ำชาวพุทธบ้างปุรักหลวงไยศาสนาบ้าง มันไม่แน่จริงอะ่ะแน่จริงก็เขียนบอกที่อยู่มาทีบอกโทรศพัพท์มาทีจะได้โทรคุยกันทําความเข้าใจกันเพราะฉะนั้นลักษณะเหล่าเนี้ยเราจะเห็นว่าสมมติว่าเอาสมมุติว่าพระกอเนี่ยพระกอฆ่าคนตายสมมุติว่าสมมุติเอานะฮะเราจะเห็นว่าฆ่าคนตายเนี่ยท่านก็ปราชิก ค, คือหมดสภาพความเป็นพระแล้วท่านก็เป็นนายก็เป็นฆาตกร ก็ถูกจับไปติดคุกตามคําพิพากษาตัดสินของศาลกี่ปีมาเรื่องของเขาแล้วไม่ได้เกี่ยวอะไรนะเราไม่ต้องไปด่าวัดไม่ต้องไปด่าแม้แต่ตัวนายกอเองนะฮะแกก็ทํากรรมหนักพอแล้วขาดจากพระไปแล้วแล้วก็กลายเป็นฆาตรกรต้องติดคุกด้วยทีนี้ถ้าเราไปด่าเขาเนี่ยก็แสดงว่านายก็ผิดศีลข้อที่หนึ่งคือปานาทิบา เราก็เป็ดศีลคอที่สี่ก็คือผรุษฎีนะผิดคือคือคําด่าว่าคนอื่นเขาแล้วปัญหามันได้ไรอก็ผิดศีลเหมือนกันมอนผิดคนละข้อกันัต่นั้นเองล้วก็ไม่ได้ดีเด่อะไรขึ้นมานะเพราะในหลักการเรลเนี้ยส่งสอนเรื่องคนผ่านแล้วเราก็เทียบเคียงดูนะคนผ่านเนี่ยสมมติว่าคนหนึ่งล่วงเกินคนหนึ่งแล้วไม่ยอมขอขามา ถือว่าเป็นคนผ่านแต่คนหนึ่งเนี่ยเพื่อนร่วงเกินจริงแตวข อ, อกระมาแล้วไม่ยอมให้อภัยไอ้นี่ก็ผ่านถามว่าใครผ่านมากกว่าผ่านเท่ากันเนะเพราะคนที่ร่วงเกินคนอื่นนั้นอาจจะร่วงเกินด้วยโทสะหรือว่าโมหะโทสะกับโมหะส่วนใหญ่นะฮะหรืออาจจะริษยากับโมหะก็ได้แต่ทีนี้เขาสานึกแล้วอ่ะเขารู้เข้าขผิดไปแล้ว ก็ขอกระมาลาโทษเราก็ต้องให้อภัยเขาทำไมาอภัยเขาก็แสดงว่าเราก็มีพยาบาทเย้ไหมมันกินเลสตัวเดียวกันเนะี่ยกิเลสตัวเดียวกันแต่เราเป็นพยาบาทพยาบาทมันอยู่ภายในใจนานกว่าโทสะโทสะเนี่ยเขาได้โกรธไปแล้วแล้วก็สำนึกผิดไปแล้วเขาล่วงเขาหายไปแล้วก็หายโทสะแล้วนะฮะก็สำนึกผิดแล้วก็สบายใจแล้ว แต่เราก็ยังอุ้มเอาไว้เมื่อเหมือนเขาโยนของสกรปรกให้เราแล้วเขาก็ขอโทษเราก็ไม่ยอมล้างของสกรปรกแล้วปัญหาว่าใครเหม็นกว่านี่อันนีค้คือความคิดบางอย่างในในคราวหนึ่งเอามาอย่างรู้สึกชื่นชมคุณอุทยัยไยพิมพ์เจชิเนี่ยที่ก็เป็นรันตรีพันนิตที่มีคนปาอุจาระใส่หน้าเขาเนี่ย อย่างนี้ก็เออเขาก็แน่จริงเหมือนกันนะไม่แสดงอาการโกรธเกรี้ยวหรือเกรี้ยวกราดระหว่างอำนาจแต่ประการใดแต่ว่าในฐานะเป็นเรื่องสิทธิที่จะปกป้องตัวเองนะตามกฎหมายก็ทำกันไปแล้วก็ถือว่าเข้าใจก็ถึงนะฮะก็ยังฟังข่าวแล้วก็รู้สึกชื่นชมว่าเออ มันก็อยู่ในจุดอย่างน้อยที่สุดมันก็ทนได้เร่งนี้ระดับหนึ่งซึ่งเรียกว่าอะไรล่ะเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งเอากระดูกมาแขวนคอปุญาตายายเนยท่านสอนไว้มันไม่ได้เรื่องอะไรเลยเนะฮะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาเขาทำความชั่วเนี่ยเราหยุดทำความดี สมมุติเราได้ข่าวคราวพระไม่ดีอะไรขึ้นมาสะกงแล้วก็เลิกแล้วเราไม่ไหว้พระแล้วเราไม่เข้าวัดแล้วเรานับถือเฉพาะพระพุทธประธรรมเราไม่นับถือพระสงฆ์แล้วคือพระจริงๆเนี่ยในแง่ของสํานึกของพระจริงๆเนี่ยเขาไมไ่เคยคิดแต้คนนับถือนะคือเขาบวชเพื่อศึกษาเพื่อพระพฤทธปฏิบัติเพื่อพัฒนาตัวเองเขาใครไม่นับถือหรือนับถือนั้นเป็นเรื่องของเขา แล้วเราจะเห็นชัดเจนนะฮะเราไปต่างประเทศเมันมีใครแสดงความนับถือบางทีก็ถูกสวจค้นเรียบร้อยก็มไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าถ้าชาวพูดเขาเห็นเขาก็นับถือเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาไม่นับถือมันก็ไม่ได้ว่าอะไรสมมติว่าเราเดินไปคนยกมือไหว้มันก็อนุโมทนาเขาเขาไม่ยกมือไหว้มันก็ไม่ได้ว่าอะไร คือไม่ได้เดือดร้อนเพราะการนับถือหรือไม่นับถือของใครมันเป็นเรื่องรับผิด ช, ชอบในกรรมของแต่ละคนอันนี้คือการสับสนสับสนในการในด้านการมองธรรมะของพุทธศาสนิกชนแล้วก็มีความรู้สึกว่าถ้าตัวเองไม่นับถือจะเป็นจะตายเอาแต่ที่จริงให้ลองสังเกตว่ามนุษย์จะมีหน้าที่ตรวจสอบตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าเรากลับไปที่บุคคลนี่จะชัดเจน พระธรรมคุณนะฮะไม่ใช่พุทธคุณแนใจว่าพระธรรมคุณข้อสําคัญเดมันเป็นประสัทธรรมเนี่ยคือเอฮิ iko, o, ปัสโกโอปาณายโกปจตัางอิริทุโภมโยชิกับสันทิตโกนะฮะเอฮิปัสโกนี่เชิญชวนชักชวนมาพิสูจน์ทดสอบตรวจสอบดูแต่คุณจะเห็นจริงเนี่ยต้องโอปาณาิโกต้องนําไปปฏิบัติเขาบอกไอ้ น, นี่หวานไอ้ น, นี่เปรี้ยวอ้ น, นี้มันไอนี่เค็มมันอธิบายไม่ได้หรอก ออกจากเราจะรับประทานเข้าไปเองธรรมะปฏิบัติก็จะมีลักษณะอย่างนั้นเพราะการตรวจสอบตัวเองในข้อ น, นี้เราจะเห็นว่าเมื่อเราตรวจสอบดูแล้วเนี่ยก็จะช่วยกระตุ้นให้มันเกิดโอการสำคัญนะคือฮิริอดรปะฮิริคือความละอายต่อบาปต่อผู้สลเพราะว่าคนที่สำนึกได้ระดับนี้เนี่ย มันจะมีพื้นฐานจิตที่เราเรียกว่าประโลภเหตุภายในตัวเองอาจจะประโลภว่าเราเกิดมาเป็นกุลบุตรกุลธิดาของสกุลควรจะประพฤติตนให้เหมาะสมแก่การเป็นกุลบุตรกุลธิดาของสกุลบางครั้งบางคราววัยมันเพิ่มขึ้นนะอายุอนามันเพิ่มขึ้นมันได้คิดได้เห็น คือเคยสังเกตเด็ ก, ดกๆหลานๆอะไรนนะที่ตอนแกนเด็ ก, ดกๆ็สซนจังเลยแกนั่งไม่นิ่งเลยแล้วแกก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ น, นะเปลแปลงเรื่องมาถึงสี่ห้าขวบนั่งพับเพียบเรียบร้อยนะ่นดเออว่าก็ก็ก็เป็นความเจริญนะทีนั่นก็แสดงว่าหวาเนี่ยแกสูงขึ้นแกสำนึกววรควรจะทังอย่างไรจะพูดอย่างไงจะยืนอย่างไงจะเหมาะจะควรอย่างไงเนี่ย นะตอนหนึ่งก็ต้องมองเธอด้วยความเข้าใจด้วยความเห็นใจเขาก็เด็กนะให้จะทํำยังไงเขาก็ายังไร้เดียงสาแต่พอฮิริมันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันมันจะคุมรัวเขาเองนะจะคุมกิริยาท่าทางกิริยบบทเขาเองเอีกหนึ่งคือการศึกษาการศึกษาค่อนข้างเป็นเรื่องใหญ่ใหญ่เอามากๆเลยนะ คือถ้าเรามองโดยรวมจริงๆนะฮะว่ามนุษย์เนี่ยมันอยู่ที่การศึกษาแล้วเป็นระบบพัฒนาได้ทุกเรื่องถ้าเราเริ่มต้นที่การศึกษาได้เนี่ยยวังก่อนได้ดูข่าวประเทศอินเดียคือที่จริงตอนมาไปศึกษาที่ประเทศอินเดียเราก็เราก็ไปไหนไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะเพราะว่าตอนนั้นก็เป็นผู้ใหญ่แล้ว เ, เพื่อนเรียกอาจารย์แล้วเราก็ ไม่เคยกล้าไปไหนมาไหนอะไรเท่าไรก็ต้องวางตัวให้เป็นหลักแก่รุ่นน้องๆเขาแต่เราก็สังเกตอย่างหนึ่งว่านักศึกษาคณะวิศวะเนี่ยคือแกสร้างเครื่องบินแล้วก็บินบินเองทุกวันนะฮะบินอยู่ในหมหาวิทยาลัยทุกวันย้อนนึกก็เอออินเดียเนี่ยไม่เบานะแพทย์ก็เหมือนกันนะฮะเขาครบกระบวนการาในวงการแพทย์เลย เวลานี้ปรากฏว่าระดับไอจีเนี่ยเขาก้าวหน้าไปจนว่าในโรงงานสำคัญๆในประเทศอเมริกาเนี่ยบางแห่งมีถึง34เอร์เซ็นบางแห่งไี 3.6 เปเ็น์ะเป็นคนอินเดียพวกแพทย์อะไรก็เหมือนกันนั่นเราเห็นว่าพอการศึกษาเนี่ยมันพัฒนาประเทศอินเดียก้าวหน้าไปเยอะเลยแล้วต่อไปเป็นเรื่องน่าคิดนะจีนกับอินเดียเนี่ย ถ้าเอเชียเราหนักแน่นกันมั่นคงมากพอเนี่ยที่จริงก็ไม่จะธรรมดานะฮะเป็นทวีปที่ใหญ่จำนวนประชากรมหาศาลที่สุดในโลกคพราะความยิ่งใหญ่ของคนเหล่านี้มันเกิดได้โดยระบบการศึกษาแต่ที่น่าทึ่งยิ่งกว่านั้นก็คือระดับผู้มนวยการบริษัทองค์กรต่างๆอายุยี่สิบต้นๆเด็กๆทั้งนั้นเลยยุคขยี่สิบต้นๆต่นั้นเ ทีนี้ของเราเวลาเนี้ยเราจะเห็นว่าการศึกษาเราเนี่ยกำลังปฏิรูปแล้วบางเรื่องมันจะเป็นปฏิกูลเอาอคริสมันเป็นการสับสนในด้านของความคิดแล้วก็ไม่ได้มองให้มันรอบครอบรอบด้านยังเกิดปัญหาที่เกีย่ยวขัดแย้งกันเนี่ยเราจะเห็นว่ามันความคิดเนี่ยปฏิรูปการศึกษาตลอด แล้วเสร็จแล้วก็นึกมันอะไรขึ้นมาไม่รู้ไปจับศ า, าสนาศิละปะวัฒนธรรมยัดโครงก็ไปเลยด้วยโครงสร้างปฏิรูปการศึกษาเช่นเดียวกันเลยก็ตลกใหญ่เลยทีเนีเน้เพราะอะไรเพราะศาสนาเนี่ยมันไม่ใช่ต้องปฏิรูปมันเกิดขึ้นโดยสัพพยุติยานศาสนาถ้าปฏิรูปมันปฏิรูปที่ตัวบุคคลมันไม่ใช่ปฏิรูปที่องคอ์กรนะไปรูปถึงวิธีการไม่ใช่ปฏิรูปที่หลักการ ทีนี้เข้าไปไปปฏิรูปหมดบังเกิดเกิดเลยก็ยุ่งทีนี้ศิละปะกับวัฒนธรรมเนี่ยว่าเป็นลูกของศาสนานะคือมันมาจากศาสนาไม่ว่าศาสนาใดาก็ตามเราจะเห็นว่าอิสลามก็กมีศิละปะวัฒนธรรมของเขาพิษก็กมีศิละปะวัฒนธรรมของเขาแต่คนแต่ก็มีศิละปะวัฒนธรรมซึ่งมันหล่อหลอมมาจากหลักธรรมในทางศาสนาแล้วยึดโยงกับจุดสําคัญของศาสนาเหล่านั้น เราจะเห็นว่าไม่ว่าที่กรีกที่ไหนก็ตามนะครที่โรมันที่อะไรก็ได้นะเราย้อนแปรดียดยังไงก็ตามไปดูเถอะศิลปะวะัฒนธรรมเนี่ยมันจะเป็นลูกของศาสนาคือเป็นผลิตผลที่สืบเนื่องมาจากศาสนาซึ่งผ่านการยอมรับผ่านการประพฤติปฏิบัติผ่านยุคสมัยกันมาแล้วคนก็สืบสารกันมาแล้วก็ถือเป็นเอกลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นชาติบ้านเมือง แต่ละแต่ละท้องถิ่นแต่ละสังคมแต่ละภูมิศาสตร์มันก็แตกต่างกันออกไปบ้างนะทีนี้บางเรื่องนี้มันไปขบกันอย่างแรงนะเช่นตัวอย่างว่าศิละปะของพุทธเนี่ยมันเป็นพวกงานปฏิมากรรมพวกงานสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะงานปฏิมากรรมเนี่ยมันเป็นรูปขรรพแต่ว่าศาสนาบางศาสนาเช่นศาสนาอิสามเนี่ยเาไม่ขรรครูปรร ก็ไม่ยอมรับรูปเคารพหรือว่าคริสต์โปรเตสแตนต์นบางนิกายเนี่ยก็ไม่เคารพไม่ยอมรับรูปเคารพแล้วเกิดมาอยู่ด้วยกันไอ้ น, นี่คือเป็นปัญหาเพราะอย่างที่บอกศาสน า, านี่มันร่วมกันได้นะรวมกันไม่ได้ศาสนามันไม่ใช่เหมือนกับการศึกษาการศึกษานี่รวมได้ว่าทำเป็นนันมากนี่รวมได้เพราะมันเป็นปลายแถวมา แต่ว่าศิละปะเนี่ยมันจะใกล้ชิดกับศาสนามากกว่าวัตถนาธรรมเพราะงั้นคำใบธรรมามันก็กลายเป็นเรื่องของความสับสนแล้วก็หาข้อยุติก็ปริปนอมประสานกันนะนะแต่มายังมีความรู้สึกว่าไปอ่านโครงร่างยังรู้สึกว่าท่านเหล่านี้คิดถึงตัวเองอยู่ มันต้องไม่คิดถึงตัวเองเลยนะต้องคิดถึงระศาสนาคิดถึงศาสนาคิดความบันลงอยู่มั่นคงของชาติบ้านเมืองคิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของชนภายในชาติที่ขอให้เกิดเป็นความมั่นคงขึ้นที่เป็นองค์รวมของความเป็นชาติก็เรียกว่าต้องแสวงจุดร่วมสงหวงจุดต่างไว้นะฮะแม้จะเป็นภาษาที่ค่อนข้งางใช้ก็ตามนะฮะแต่เวาลาการเหล่านี้เป็นหลักการที่จําเป็นต้องมี เพราถ้าหากว่าไปรวมกันหมดมันก็ไม่ได้แต่ไม่ร่วมกันเลยมันก็ไม่ได้เพรา ะ, ะไรเราก็อยู่ในแผ่นดินเดียวกันเป็นชาติเดียวกันนะอยู่ในระบบโครงสร้างอะไรทั้งหมดเดียวกันจุดแตกต่างมันก็แต่อยู่เพาะศาสนาวัฒนธรรมกับศิละปะกรรมระนั้นเองเพราะฉะนั mm ้น hmm. ถ้าเราไม่สับสนมันก็จะเดินไปได้การไปรูรปมันก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางสร้างสารรค์พัฒนาขึ้นต้องฟังท่าไหร่ แต่รบประโพธยาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้องามไปบูรในธรรมซึ่งมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี